แนะนำบทมารยาทบทมารยาทเป็นบทมัคกีามีเก้าสิบแปดโคงการมีจุดมุ่งหมายเน้นหนักเรื่องการให้เอกภาพการให้ความบริสุทธิ์เด่หรอตลอดจนเน้นหนักต่อการศรัทธาต่อวันฟื้นคือชีวและวันแห่งการตอบแทนสาระสําคัญของบทนี้กล่าวถึงเรื่องการศรัทธาหรอและความเป็นเอกภาพของพระองค์ตลอดจนที่แจ้งถึงวิถีทางของบรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง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 แต่นัทอัลลอฮ์จึงทรงตอบรับการมิงบอนขอของท่านและทรงประทานบุตรพี่เฉลียวฉลาดให้แก่ท่านบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องที่น่าประหลาดยิ่งนั่นก็คือเรื่องของนางมารยัมผู้บริสุทธิ์และการคลอดบุตรของนางโดยปราศจากบิดาเคลดลับของพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งปฏิหารอันนี้ปรากฏขึ้นด้วยการให้กำเนิดอีซาจากมัรดาโดยปราศจากบิดา เพื่อว่าร่องรอยแห่งพระผู้เป็นเจ้าจะเป็น้ามลักให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่สายตาสแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกาของพระองค์บทนี้ได้เล่าเรื่องของนบีอิบราฮีมกับบิดาของท่านและได้กล่าวชมเชยยกย่องบรรดาศาสนาพูดของอัลลอฮ์คริสฮาญคุมูซาฮารุอิสมาอินอิดรีสและมูฮ่การกล่าวถึงบรรดาศาสนาูตเหล่านี้ ใช้เนื้อที่ถึงสองในสามของบทจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อนเน้นถึงความเป็นเอกภาพแห่งาศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งนี้พระาศาสนาทูตทั้งมวลได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่ความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์และกระจัด ก, การตั้งภาขี่เคียงคู่กับปรุงบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพบางส่วนของวันสิ้นโลก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 การที่อัลลอส์ทรงให้ทารกแบบบกพูดได้และปรากฏการที่น่าประหลาดเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกำะเสิดของท่านนาบีอิสลาอัลเลาะห์ฮิสซาลาหด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ รักอัลลอฮฺพระเจ้าของท่านี่คือการกล่าวถึงเมตตาธรรมแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่มีต่อซักเรียาบ่าวของพระองค์ เมืเ่อเขาได้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาด้วยการวิงวอนอย่างสง บ, บ al al al al a a เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบาลของฉันแท้จริงกระดูกของฉันอ่อนแล้วและศีรษะก็มีงอกแล้ว และไม่เคยปรากฏเลยว่าการยินบ้อนของฉันต่อพระองค์ท่านนั้นไร้ผลโอ้พระผู้วิบาลของฉันและแท้จริงฉันกลัวลูกหลานของฉันภายหลังจากที่ฉันตายไป และพัญญาของฉันก็เป็นมันด้วยดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดประทานทายาทที่ดีจากองค์แก่ฉันด้วยเถิดผู้ซึ่งจะสืบทายาทแทนฉันและสืบทายาทจากตระกูลญาติปกและขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นที่โปรดปรานด้วยเถิดโอ้ บ, บ้านโอ้ฉักคริยาแท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกชายคนหนึ่งชื่อของเขาคือย่าหยาเราไม่เคยตั้งชื่อผู้ใดมา ก, ก่อน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 กกลลออยััิมนนสสวีเขารักตริยากล่าวว่าโอ้พระพู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงโปรดให้มีสัญญาณแก่ฉันด้วยพระงตัดว่าสัญญาณของเจ้าคืออย่าพูดกับผู้คนเป็นเวลาสามคือ ทั้งทั้งที่เจ้าอยู่ในสภาพที่สมมุตรแล้วเขาได้ออกจากเมียรอบมายัางกลุ่มชนของเขาแต่เขาได้ทําสัญญาณแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้ารงกล่าวสรุดีทั้งในายามเช้า ละอย่างย์างยาอยาหข้าดินคัตาบด้วยวาอรู้แลาห้นขาข้อคามศักดิ์สิทธิโอยยายเจ้าจงยึดมั่นต่อคำพี่เต่ารอดอย่างมั่นคงแล้วเราได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้เขาตั้งแต่เขายังเยาว์วัยอยูา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 วันที่เขาถูกคลอดและวันที่เขาตายและวันที่เขาถูกให้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่ م م และจงกล่าวถึงเรื่องของมารยามที่อยู่ในคำพีเมื่อนางได้ปลีกตัวออกจากบูรย่าท้องนางไปยังสถานที่หนึ่งทางตะวันออกของ บั้งขดแล้วันากงไัด้ชาอีั้งยัดนีกันอห้พั้นอากสัยตาขขนอังพังขขานอกั้งังขัดขี้งยังขัดขอั้ยังขัดขืนอ้ยขนอกงยัาขนองยังขขืนอ้วยังขดอ้งยขาดขอ้ยังดีง้งยังนอก้งยดนแกงนอกง ท่นา่า้จริงานอความค้มบพรรรุณานีให้พกท่านหากทานเป็นผู้หยัง่งเกรง่นานนากล่าวว่าแท้จริงท่านขอความคุ้มครองตอบพระผู้ทรงกรุณาปรานีให้ผลนจากท่านหากท่านเป็นผู้อยัางเกรง เขายิบรีนกล่าวว่าแท้จิฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระผู้บานของเธอเพื่อฉันจะลูกชายที่บริสุทธิ์แก่เธอนางกล่าวว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่ไม่มีชายใดมาแต่งต้องฉันเลย ่นก็ไมไมด้เป็ขาจึงประยุกต์กล่าวว่าเพราะนั้นก็เถิดพระผู้บายของเธอตรัสว่ามันง่ายสำหรับข้าและเพื่อเราจะได้ให้เขาเป็น สัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และเป็นความเมตตาจากเราและนั่นเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วนางได้ตั้งคันแล้วนางได้ปลีตัวออกไปพร้อมกับบุตรในคันยังสถานที่ไกลแห่งนี้ ก้าเล่ี่อย่าเลยที่มิตฉุดแล้วฮาดะว่าคุณตุนเิียัมนิสยความเจ็บปวดใกล้พอดทำให้นางหลบไปที่โคนต้นอินทผลันางไม่กล่าวว่าโอ้หากฉันได้ตายไปเสียก่อนหน้านี้แต่ฉันเป็นคนไร้ค่าถูกลืมเสีย ดังนั้นเขาหมาลักได้เรียกนางทางเบื้องล่างของต้นอินทพัลล์ว่าอย่าได้โศกเศ้าเสียใจไปเลยแน่นอน พระผู้ิ บ, บาลของเธอทรงจัดลำธารไว้เบื้องล่างของเธอแล้วและจงเกี่ยวต้นอินทผลลัำให้มันเอนมาทางตัวเธอมันจะหล่นลงมาที่ตัวเธอเป็นผลอินทผลลงที่สุกนา่นเอลีวรบีวะกืรมและกิ ฉะนั้นเธอจงก so so ินจงดื่มและจงทำจิตใจให้เบิกบานเธอหากเธอเห็นผู้ใดก็จงกล่าวว่า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 ถ้าจริงเธอได้นำเรื่องประหลาดมาแล้วโอ้้อนหยิงของหางพ่อของเธอนิ่ได้เป็นชายชั่วและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงโฉด นั่งชีบไปทางเขาพวกเขากล่าวว่าเราจะพูดกับผู้ที่อยู่ในเปลที่เป็นเด็กได้อย่างไรางไางข า, ข า, า ว, วาาอีสาะกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลเหรอพระองค์ทรงประทานคำพี้ยแกฉัน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 แจะทรงให้ฉันทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ทรงทำให้ฉันเป็นผู้หญิงแยะโสผู้ต่างชาและขอความสันติจงมีแต่ฉันวันที่ฉันถูกคลอดและวันที่ฉันตาย แ ว, นนวันั่นคืออีซาบุกของมารยับมันเป็นคำพูดที่จริงซึ่งพวกเขายังมีความสงสัยอยู่อร อินนะมายะกูลูละฮูกุนฟายะกูนไม่เป็นการถูกต้องสําหรับอัลลาะที่พระองจะทรงเอาผู้ใดเป็นพระบุตรพระองเป็นผู้ทรงมหาบริสุทธิเมื่อพระองค์ทรงกําเนิดกิจการใดๆแล้วพระองจะตระัสแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นมาว่าอินนลลอฮะร็บดีว่าร็บบุคุมตบุดู มมถ้าจริงอัลลอฮคือพระผู้อวยบาลของฉันและพระผู้อยบาลของพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าจงเคารพพระดีต่อพระองค์เถิดนี่คือทางอันเที่ยงตรอักตัละ فالأحزاب من بينهم فويل للذي لكفر من مشهد يوم النّضيم กลุ่มต่างๆได้ขัดแย้งระหว่างกันเองดังนั้นความหายนณะชงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อมีการชุมนุมแห่งวันอันยิ่งใหญ่เถิดพวกเขาได้ฟังอย่างชัดและเห็นอย่างชัดอะไรอย่างนั้น วันที่พวกเขาจะมาหาเราแต่ถ้าว่าในวันนี้บรรดาผู้อาธรรมอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง um แตาเจ้าจงเตือนพวกเขาถึงวันแห่งความเสียใจเมื่อกิจการนั้นถูกตัดสินโดยที่พวกเขาอยู่ในการหลงหลือ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 มันดื้อรั้นตอบพระผู้ทรงกรุณายาอับดุลอินนีอัล้าฟอัยย์เมสักอาดาดุมมินอัลราะห์มานิฟะตะกูนัลลิชัยตุลิลียาโอ้พ่อจ๋าแท้จริงฉันกลัวว่าการลงโทษจากพระผู้ทรงกรุณาจะประสบแก่ท่านแล้ว ท่านก็จะเป็นสหายของชายดอนกาลอรากบุญอนตออัลฮ์ทียาอิบรอฮีมละาอิลลัมัน้ที่ล่ะอดมันนักวะฮจุรนีมารียาเขาบิดากล่าวว่าเจ้ารังเกียจพระเจ้าทั้งหลายของฉันกระนั้นหรือโอ้อิบรอฮีมเอ๋หากเจ้ามาหยุดยั้ยงจากการตนิแน่นอน ฉันจะขว้างเจ้าวยก้อนหินและเจ้าจงไปให้พ้นจากฉันเถอดขาวอิบราฮีมกล่าววา่าขอความสันติจงมีแด่ท่านฉันจะขอพยโทษจากพระผู้มพรบาลของฉันให้แก่ท่านแท้จริง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 หวังว่าด้วยการยังวอนขอต่อพระผู้วิบาลของฉันจะไม่ทำให้ฉันรับความถูกะ้ะุมวมยดูนดนอลิวฮบนาลอิสฮวยะกูบลคนละลนบีันเมื่อเขาปลีกตัวออกไปจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์แล้ว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 ى, และมูัมหมัดจงกล่าวถึงเรื่องของมูสาที่อยู่ในคำภีแพ้จริงเขาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเขาเป็นาศนาสนทูตเป็นาศาสดา ون าเดย์นั ن นจากด ر านขวาของภูเขาตรุดและเราได้เรียกร้องเขาจากน้านขวาของผูเขาตรุดและเราได้เขาเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพูดกับเขาโดยตรง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 และเขาใช้กลุ่มชนของเขาให้ปฏิบัติละหมาดและจ่ายยาการและเข้าไปที่โปรดปรานที่พระผู้อภิบาลของเขา และจงกล่าวถึงเรื่องของอิดอริสที่อยู่ในคำพีแท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นาศาสดาและเราได้ยกย่องเขาไว้ในตำแหน่งอันสูงสุดและเุอไลัยกย่องเขาไวมินตำแหนมงอันูงุ ชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ Allah อัลลอฮทรงโปรดปรานพวกเขาให้เป็นาศาสดาที่มีเชื้อสายมาจากอาดัและจากเชื้อสายที่เราได้บรรทุกไว้ ในเรือกับนัวและจากเชื้อสายของอิบราฮิมและอิสราเอลและจากเชื้อสายผู้ที่เราได้ให้ทาง น, นำแต่เราได้คัดเลือกไว้แล้วเมื่อบรรดาองค์การของพระผู้ทรงกรุณาถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขาจะกล่มลงกราบและร้องไห้จะะน า, าวย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 และกระทำความดีชนเหล่านั้นจะได้เข้าสวนสวรรค์โดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความอาธรรมได้อย่างไรสวนสวรรค์อันสถาพรซึ่งพระผู้ทรงกรุณาทรงสัญญากับวงบ่าวของพระองค์ด้วยความเรินลับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน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 ทงนาา า, นายาเยเเช้และ น, นั่นคือสวนสวรรค์ที่เราได้เป็นมรดกแก่ปวงบาวของเราที่มีความยมังเกรง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 แล้วเราจะนำพวกเขาให้มาคุกเข่าอยู่รอบๆนรกแล้วแน่นอนที่สุดเราจะดึงออกจากทุกๆคณะใครในหมู่พวกเขาที่ดื้อรั้ที่ดระผราแล้วแน่นอนที่สุดเราจะดึงออกจากทุกๆคณะใครในหมู่พวกเขาที่ดื้อรั้นที่สุดต่อพระผู้ทรงกราศ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 มันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วสำหรับพระผู้อวยพของเจ้าแล้วเราจะให้บรรดาผู้ยังเกรงรอดพ้นแล้วเราจะปล่อยให้บรรดาผู้อารรมคุกเข่าอยู่ในนรกนั้น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 และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาิก่อนพวกเขาโดยที่พวกเขามีสิ่งของเครื่องใช้และรูปร่างดีเลิศกว่ า, า ล, า ล, ลดอูอบ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 และดียิ่งในการกลับไปสู่พระองอลลค์เจ้าเห็นรือไม่ว่าผู้ที่ปค์รทั้ายของเราวเาลอันจะรัลาน้เจ้าเห็นหรือไม่ว่าผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราแล้วเขากล่าวอ้างว่าฉันจะรับทรัพย์จมบัตรและลูกหลานนั้น เขาล่วงรู้สิ่งเร้นลับหรือว่าเขาได้รับคำมั่นสัญญาจากผู้สรงกรุรอานปม่าเลยเราได้บันทึกสิ่งที่เขาเกล่าวและเราจะเพิ่มการลงโทษแก่เขาอีกระยะหนึ่งและเราจะรับช่วงสิ่งที่เขาเกล่าวไว้จากเขา และเขาจะมาหาเราอยา่างโดดเดี่ยวและพวกเขาได้ยึดเอารูปปั้นต่างๆเป็นพระเจ้าอื่นจกากอัลลอฮ์เพื่อที่จะเป็นพลังอํานาจให้แก่พวกเขาเปล่าเลยรูปปั้นเหล่านั้น จะปฏิเสธการคารถบูชาของพวกเขาและพวกมันจะเป็นปฏิบัติต่อพวกเขาอเจ้ า, า, มาไม่ได้เห็นดอกหรือ ว, ว่าแท้จริงเราได้ปล่อยให้ชัยตอนมีอำนาจเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อมันจะได้ยุ่แย่เท็ เพื่อมันจะได้ยุแย่พวกเขาอย่างจริงจังดังนั้นเจ้าอย่าได้เร่งร้อนลงโทษต่อพวกเขาแท้จริงเราได้นับวันที่เหลือไว้สำหรับพวกเขาแล้วด้วยการนับที่แน่นอนวันที่เราจะรวบรวมบรรดาผู้ยังเครงมาชุมนุมต่อหน้าพระผู้ทรงตรุา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 และพวกเขายาฮูตและนาซร์กล่าวว่าพระผู้ทรงกรุณาทรงตั้งพระบุตรขึ้นเพื่อพระองค์แน่นอนที่สุดพวกเจ้าได้นำมาซึ่งสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งยทั้งสะ้ฟาถกายจากพระองคและทั้งแผ่นินและทั้งภเขาถูท บรรดาชั้นฟ้าแทบจะพังทลายลงมาและแผ่นดินก็แทบจะทล่มลึกลงไปและบรรดาขุนเขาก็แทบจะทลายลงมาเป็นสิ่งสิ้ น, น, รรนที่พวกเขายัดเยียดพระบุตรต่อพระผู้ทรงกรุนาาันรราน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 ทรงส่งรอบรู้ถึงพวกเขาและส่งนับพวกเขาอย่างถี่ถ้วนไว้แล้วและทุกคนในพวกเขาจะมาอย่างพระองค์ในวันกิยามะอย่างโดดเดียวแท้จริง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 เพื่อว่าเจ้าจะได้นำมันไปแจ้งเป็นข่าวดีแกบ่บรรดาผู้ยำเกรงและเจ้าจะได้นำมันไปตักเตือนในชุมชนที่ดื้อรัน้นและกี่มากน้อยแล้วจากประชาชาติในอดีตที่เราได้ทำลายพวกเขา